เรื่องกลัวโตชอบเงินครั้งหนึ่งเข้าไปฉันในพระบรมหาราชวังอีกถวายเงินองค์ละยี่สบบาทสมเด็จทำดีใจรวบเงินส่ ย, ย่ามกลาวส่งทักว่าอา้าวพระจับเงินได้หรือขอถวายพระพรเงินพระจับไม่ได้ผิดวินยัยแต่กลัวโตชอบ เรื่องแผลงของสมเด็จพระพุทธาจย์โตองค์นี้ตั้งแต่เป็นพระธรรมกิตติมาจนเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าต่อหน้าที่นั่งเสม อ, สมอแต่ก็ทรงอภัยสัมพ ร, ราชทานรางวัลอีกด้วยถึงวันรวบเงินนี้ก็รางวัลอีกสาสิบบาทรวบใส่ ย, ย่ามทันทีครั้นหิวคอนย่ามออกมาคนนั้นล้วงบ้างคนนี้ล้วงบ้างจนหมดย่ามท่านคุยพึมว่าวันนี้รวยใหญ่ หมายเหตุผู้อ่านความจริงในเรื่องพระจับเงินนั้นตามหลักของพระวินัยนั้นท่านมุ่งที่เจตนาเป็นสำคัญคือมีความยินดีมีความโลภในการรับเงินรับทองเพื่อมาเป็นของของตนแต่ถ้าพระรับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสงฆ์หรือเพื่อสงต่อเป็นประโยชน์ของส่วนรวมแบบนี้ถือว่าไม่ผิดนะครับและอีกแง่หนึ่งถ้าพูดในขั้นสูง พระอ า, หารหันตนั้นทำอะไรไม่ถือว่าเป็นกรรมเป็นเพียงกิริยาเท่านั้นซึ่งตามประวัติในหลายแห่งก็ตรงกันนะครับว่าท่านรับแล้วท่านก็ไม่ใครเก็บไว้สําหรับตนเองเป็นการรับตามหน้าที่เมื่อมีคนให้ก็รับไว้และนําไปแจกจ่ายคนอื่นต่อจนหมดให้สังเกตนะครับว่าเมื่อท่านแจกหมดแล้วท่านก็พูดว่าวันนี้รวยใหญ่มีเรื่องนี้อีกแง่หนึ่ง น่าจะเป็นการสอนคนทางอ้อมคือให้เห็นว่ารวยของท่านนั้นคือรวยบุญทั้งรวยในแง่ของการสละการให้ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นและอีกอย่างคือรวยในแง่ของการสละกิเลสการไม่ยึดติดในข้าวของเงินทองลาภยศสมบัติต่างๆหลายเรื่องในประวัตินั้นพระรุ่นหลังควรดูเป็นตัวอย่างซึ่งการกระทำหลายอย่างของท่านนั้นก็ต้องเข้าใจให้ตรงจุดประสงค์ของท่านด้วยนะครับ ไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นการยึดถือแบบผิดๆไปได้